อนุมโมตนาหนึ่งชั่โมงสี่สิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวได้ภาวนาลุ่นลุ่น <c oughs> วันนี้ตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนนี้ทุกอย่างมันจะสอดรับกันหมดเช้าขึ้นมาพูดเรื่องสมาธิพูดเรื่องแสงเงินแสงทองจริงๆพระพุทธเจ้าพูดแสงเงินแสงทองเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องว่าแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อเห็นแสงเงินแสงทองนั้นคือว่าเราเห็นพระอาทิตย์แล้วแสงเงินแสงทองพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราเออกความดีเป็นเป้าพระพุทธเจ้าใช้อริยมรคมีองค์แปดอริยันจัดทังคิขะมักคัสะใช้อริยมรคว่า ก่อนที่อริยมรรคจะปรากฏตัวอย่างสมบูรณ์แสงเงินแสงทองที่เกิดขึ้นคืออะไรอคืออะไรรู้ไหมเนี่สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาแสงเงินแสงทองที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นเหมือนแสงเงินแสงทองที่จะเกิดก่อนที่อริยมรรคจะปรากฏอริยมรรคในที่นี้เราก็ ต่อมาก็จะสรุปพูดให้สั้นด้วยคำคาเดียวว่าคือความดีนะดีพอดีที่มันจะเกิดแบบเป็นองค์ธรรมที่จะเกิดว่าแน่ๆเราก็ต้องดูที่แสงเงินแสงทองอะไรที่เป็นแสงเงินแสงทองคำที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องกัลยาณามิตตาคือกัลยาณามิต ทุกคนเนี่ยต้องมีกัลยาณมิตรไม่มีกัลยาณมิตรมานั่งไม่ได้มาราวนาม่ได้ไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีทางพระพุทธเจ้าเลยบอกว่ากัลยาณมิตรอเป็นทางแห่งการเจริญของมรรคเลยนะเออเพราะเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเราอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอมนุษย์อ่ะ มนุษย์คนไหนอยู่คนเดียวนี่อยู่คนเดียวป่ะไม่มีใครอยู่คนเดียวได้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ว่าเราเกิดมาเราไม่ได้แต่งงานเลยเราเป็นหญิงโสดเป็นชายโสดเป็นเอกาเป็นปัจเจกแต่แล้วเราก็แยกออกจากคนไม่ได้ถูกไหมมันจึงต้องมีอะไรกราลยาณมิตรพระพุทธเจ้าเลยให้เราตรวจสอบ สังคมของตัวเราเองว่าเป็นอย่างไรถ้าเรายังยินดีพอใจมีใจร่วมกับคนที่เป็นบา ป, ประมิตรนั่นหมายความว่าเป็นแสงเงินแสงทองของดาวราหูเพราะก็เปรียบดาวราหูเป็นผู้ร้ายใช่ไหม ซึ่งถ้าตราบใดเรายังมีบาปประมิตรคือมิตรมิตรไม่ดีไม่ใช่กัญนามิตรอ่ะไอ้นั้นสถานการณ์นั้นเราเราแย่นะถ้าสภาพแวดล้อมสังคมของเราเนี่ยแวดล้อมเป็นการัญนามิตรการัญนามิตรเขาจะดียังไงก็ช่างแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ที่ชักชวนเราให้โน้มเข้าไปหาพระรัตนาตรได้อืม นั่นคือกัลยาณมิตรและพฤติกรรมของเขาเช่ว่ากาาัล ย, นะยาณมิตรนะเยว่าหนึ่งมีอยู่ประการร่วมสุขร่วมทุกข์แหนประโยชน์แล้วก็มีความรักใคร่สามารถสัมผัสได้นะ มีอุปการะหมายความว่ามันไม่ใช่จ้องที่จะเชื้ดเนื้อเถือหนังเราอย่างเดียว <c oughs> กาญนามิตรฮะหนึ่งมีอุปการะหมายความว่าส่วนไหนตรงไหนที่เป็นข้อเสียหายข้อบุกพร่องของเราเขาก็จะมีความเป็นมิตรในการที่จะเข้ามาช่วยแต่งช่วยเติมช่วยเสริมให้ไม่ใช่มาช่วยขยี้บี้บีทาให้มันยับเยินลงไปเนี่ยกาญนามิตรนิดหนึ่งนะ หนึ่งมิตรมิวบการะเนี่ยสองร่วมสุขร่วมทุกข์มันไม่ใช่ว่าพอเราประสบความสำเร็จมีเงินมีทองมีทรัพย์มาร่วมสุขกับเราอย่างเดียวพอเราเริ่มแย่แล้วก็หนีหายตายจากไม่ใช่มีทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์สามแนะประโยชน์แนะประโยชน์ที่นำประโยชน์มาให้เรา และก็ที่สี่มีความรักใคร่ไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดจะมีความรักใคร่มีอัภัยซึ่งกันและกันเสมอนี่เป็นลักษณะคนพวกนี้แหละจะนำพาเราเข้าไปใกล้ชิดพระรัตนตรได้ถ้าสังคมโดยรวมพระเจ้าให้เราตรวจสอบดูว่าเราอยู่รอบเคียงข้างกับกัลยาณมิตรแล้วเราจะเป็นแสงเงินแสงทองประการที่หนึ่งแล้วก็ การที่พวกเราได้มาที่นี่เราก็มานั่งทุกคนมุ่งหาสิ่งเดียวกันนี่ถือว่าพวกเราเป็นกาลยดาดมิตต่อกันนี่ประกันนี้ใช้ได้แต่ถ้าออกจากนี้คิดว่าพวกเราคงไม่มีใครไปเข้าผับเข้าบาร์ไปเข้าคงจะไม่มีใครไปหาเพื่อนแทบเปล่งอบายมุกแล้วแหละ เว้นไว้แต่จำเป็นจริงๆต้องไปงานไปการอะไรสาคัญสคัญนะแต่ว่าจะให้ไปเที่ยวสนุกกับการต้งแรงต้งกาวพวกเราคงไม่มีแล้วแหล ะ, แ ล, ะและรุ่นนี้ด้วยนะแม้ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่กล้าไปเลยมันอายเด็กก้าวะทีนี้กัลยาณมิตรตาเนี่ยเป็นแส้เงินใช้ทองข้อที่สองที่เราจะต้องตรวจสอบดูตัวเราเองคือศีล ดูศีลดูศีนดูอะไรไม่ต้องไปดูการฆ่าหรอกส่วนมากมันไม่ค่อยได้ฆ่าดูศีนดูความโหดร้ายของใจตัวเองดูที่มันแบบดยเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปประทุษร้ายไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปคิดอาฆาตพยาบาทไม่ใช่เรื่องที่เราจะบางเรื่องอะเล็กๆ ก, ก น, น้อยน้อยอะบางอย่างเด็กมันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอย่างเงี้ย พิจารณาดูง่ายๆบ้านไหนเด็กเยอะๆทั้งเจตมันจะเกิดการกระเพื่อมของจิตง่ายนะเด็กเยอะๆคนแก่เยอะๆอยู่กับคนแก่อีกอย่างหนึ่งระวังคนแก่นี่ไม่ได้นะฮะเอออยู่กับคนแก่ไม่ได้ขอรว่าภัยนะตรงนี้ยังไม่แก่อยู่กับคนแก่เพราะอะไรรู้ไหมเขาจะอัตตาเขาจะสูง นี่เราเนี่ยอยู่กับคนแก่ถ้าเราเห็นเราเห็นใจเราเนี่ยมันก็มีความก็เพื่อมในทางทางหุมกงิจทางโทสะกับคนแก่หรือกับเด็กอะ่ะนั่นคือความด่างพร้อยของศีลเราต้องตรวจสอบแล้วถ้าเป็นไปได้นะอยากจะให้ชําระชาลางย้ายมีเพราะทางภาวนามันจะเดินไม่ได้เดินเข้าไปถึงมันกระทบตันอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนต่อหม้อเลยนะ นะนี nah, nah, ่เอาใจคนแก่หน่อยอยู่กับลูกอะเนี่ยนะนี่ตี่หลังบอกมันนะเพราะมันมีอารมณ์ขึ้นมาบอกหลวงพ่อบอกให้ชําระชะล้างถ้ามันโกรธหนักก็ให้มันผ่านไปก่อนจริงๆเนี่ยมันเป็นแสงเงินแสงทองนะอืมตัวที่สามพระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตตสัมปทาใจต้องพร้อมเป็นแสงเงินแสงทองอื ใจต้องพร้อมคำ ว, ว่าใจพร้อมในที่นี้หมายความว่ามันจะต้องกล้าพอในการที่จะตัดความกังวลบางอย่างออกถ้ามันยังกังวลอยู่ในเรื่องดอกเบีย้ยยังกังวลอยู่ในเรื่องดอกเบี้ยร้รอยะยนะี่สบไม่ใช่เลยดอกเบี้ยร้อยละสบเป็นบิณฑชชาอาชีวาเลย <c oughs> ใช่ไหมเราก็ต้องเอาเกณฑ์ของของของกฎหมายมาเป็นเกณฑ์ในการว่าเป็นอาสมมารหรือมิจฉา มันั่งมีเงินสองสามหมื่นบาทจะทำยังไงดีเนาะให้มันได้ดอกเบีย้ยมาเยอะๆไงจะนั่งกังวลอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันทำอะไรไม่ได้นะอย่างเนี่ยวันเนี้ยบางคนถ้ามันมีการชื่นชมติดพันเรื่องกับหวยเนยมันก็ไม่มานะไม่ว่าจะเป็นคนขายหรือคนซื้อถ้าเป็นนักเลงอ่ะนะนักเลงหวยอะ่ะ นักเรงหวยที่ซื้อก็ตามนักเรงหวยที่ขายก็ตามไม่มามาไม่ได้จะไปได้ไปวัดไปได้แป๊บแปบ๊ไปเพื่อไหว้อธิษฐานขอให้มันได้อนะไม่ได้น ะ, ะนะ น, นั้นนะไอ้นี่เราก็เรียกว่าเราพวกเราเนี่ยมีอัตตาสัมปทาพอสมควรตัวต่อมาก็คือทิฏฐิสัมปทา ต้องต้องมีความเห็นคล้อยเข้าไปตามตามพระพุทธเจ้าแล้วแหละความเห็นจะต้องมีความเห็นคล้อยเข้าไปความเห็นต้องมีความเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าแล้วแหละถ้าไม่มีความเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าบ้างไม่มานะ <tenth. S 1> ไม่มาไปที่อื่นดีกว่าสนุกได้ตัวต่อมาก็คือโยนิโสมนัสิการมันต้องมีการพิจารณาใครควรดีแล้วพอสมควรในระดับหนึ่งพวกนี้เป็นแสงเงินแสงทอง ของของความดีที่มันจะเกิดกับเรานีพระพุทธเจ้าย้ามาอีกว่าเมื่อมีแสงเงินแสงทองดังนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องอาศัยวิเวกที่พูดเมื่อตอนเช้าอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่อย่างคำถามของเราคำถามของคนน้นคำถามของใครก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งภาวนาให้รู้ไว้เหอะ เรานั่งคิดคิดถึงการพิจารณากายเรานั่งคิดถึงร่างกายของเราพระพเจ้าว่าให้คิดโดยอาศัยวิเวกโดยอาศัยนิโรธโดยอาศัยวิราคะและโดยอาศัยโวสัคะที่ว่าวิเวก ค, คืออะไรอาศัยวิเวกวิเวกแปลว่าความสหัดสงัดกายสงัดจิต สังหารกายคือที่สงัดเนี่ยน้อมมาที่นี่ น, นั่นน่ะคือกายวิเวกแล้วถ้าเราอยู่ที่บ้านเป็นไงยมโหเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องตอบลายลูกเดี๋ยวก็ต่องคนนูน้นเดี๋ยวก็ต้องอันนี้เดี๋ยวก็มันไม่วิเวกเลยกายอ่ะเมานนี่มั่งอาตมาบอกว่าให้วงกลมตัดเหมือนคนพามาทิ้งเลยตรงนี้แมมไว้วิเวกไหมล่ะวิเวกไม่มีใคร ม, มาคุยเลยหลานคนไหมนมาเขี่ยมัง่งมีไหม ะมีไหมเออมันวิเวกต้องอาศัยวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกคืออะไรจิตวิเวกคือการน้อมจิตเข้าไปสู่อารมณ์อันใดอันหนึง่งต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอารมณ์อันเดียวนะที่เป็นสติปัฏฐานเราใช้ลมหายใจแล้วก็ใช้กายใช้การเคลื่อนไหวอันนี้ก็เรียกว่าจิตวิเวกมีกายวิเวกและมีจิตวิเวกนี่เรียกว่า วิเวกนิสิตังการคิดพิจารณาโดยอาศัยวิเวกมันต่างกันเลยใช่ไหมต่างกันถ้าเราไปนั่งโจมอยู่กับความวุ่นวายที่ไม่มีความวิเวกเลยแล้วเรามานั่งคิดออรูปังอนิจังรูปเป็นอนิจังฮะใช่ไหมได้ไหมไม่ได้ก วิ่งยิ่งวิเวกมากเท่าไรความคิดจะแยบคายมากเท่านั้นนั้นอย่าไปกังวลว่ากลัวมันจะเป็นการคิดไปขอให้คิดอยู่มีวิเวกและ ว, วิรักเอาต่อไปตัวที่สองนอกจากวิเวกแล้วตัวที่สองก็คือว่ากายวิเวกานิสิตังนิโรธนิสิตังอาศัยการดับเอออะไรคือกอาศัยการดับ อาศัยการดับคืออาศัยการที่ว่าจิตอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วมีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นจิตไม่ใส่ใจในสภาวะใดๆเลยเห็นการดับของสภาวะนั้นๆจิตมีประสบการณ์จากการเห็นการดับของสภาวะเนี่ยนอกจากมันวิเวกแล้วมันมีอาศัยนิโรธด้วยมีประสบการณ์จากการที่เห็นสภาวะมันดับอะไรนั้นมันไม่เลยมันแค่เกิดแล้วก็ดับไม่ติดค้างอยู่ที่จิตนั่นคืออาศัยนิโรธ สองตัวนี้จะทำให้การคิดของเรายิ่งแยบคายนั่นน่ะอโยนิโสนั่นคือแยบคายมนสิกาน่นคือคิดเรียกว่าคิดอย่างแยบคายเมื่อกี้ที่เราอยู่ในอารมณ์สมาธิแลลงมาเดินปัญญาเดินปัญญาด้วยการคิดนั่นน่ะนั่นแะก็เรียกคิดแบบแยบคายอาศัยวิเวกและอาศัยนิโรธต่อไปวิราคาวิราคานิสิตังอาศัยวิราคะคืออะไร อาศัยคือว่าจิตมีประสบการณ์ในการสํารอกวิราคะคือมีอาการยินดีชอบใจแล้วก็ปล่อยมันออกไปยินดีชอบใจแล้วก็ปล่อยมันออกไปโดยไม่ให้ความยินดีชอบใจนั้นปรุงแต่งจิตในสมาธิในอารมณ์ปฏิบัติเรารู้สึกกับลมหายใจเรารู้สึกกับลมหายใจไปเรื่อยเรืยเรื ย, รยนั่งแล้วจิตมันคือความอึดอัดอ้าวพอนั่งแล้ว จิตมันเกิดการไหลไปหาสิ่งที่ชอบใจไหลไปหาสิ่งที่ชอบใจที่ว่ามันปรารถนาความสุขอ่ะมันหาอยากหาสิ่งที่ชอบใจแล้วเราก็ปล่อยความชอบใจนั้นออกไปโดยไม่ให้มันอยู่ในอํานาจถ้ามันอยู่ในอานาจใช่ไหมมันก็จะหยุดเราโดยที่ให้เราหยุดการภาวนาแต่พอมันเกิดความชอบใจเราไม่ปล่อยให้จิตให้ความชอบใจนั้นอยู่มีอํานาจเหนือจิตของเราสํารอกมันออกไป เป็นครั้งครั้งคราวคราวอันนี้เป็นวิราคะนิสิตะเบื้องต้นสำหรับที่เป็นองค์เป็นฐานทำให้การคิดอย่างแยบครายของเรามีกำลังโวกสักคะโวคสักคะคือน้อมไปเพื่อการละอารมณ์ใดๆที่ปรากฏที่เกิดขึ้น จิตโน้มไปเพื่อการละมันเกิดขึ้นตั้งหลายครั้งในขณะที่เรารู้ลมหายใจใช่ไหมเราข ณ, ขณะรู้ลมหายใจเนี่ยมันมีสภาวะที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยมันมีสภาวะที่จิตโน้มเข้าไปเพื่อเพื่อการปรุงเพื่อการแช่เพื่อความคุ้นคิดแต่มันน้อยมากแต่ไอาตัวที่จิตโน้มไปเข้าไปเพื่อการละโน้มไปเพื่อการละแม้กระทั่งเวทนาที่มันเกิดขึ้นนี่เราเจ็บมากเลยเนี่ยแต่เราน้อมเข้าไปเนี่ย จิตที่โน้มไปเพื่อการละมันมากกว่านั้นไอ้จิตที่มีนโน้มไปเพื่อการละที่มันมีกำลังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นตัวฐานสาคัญของการคิดอย่างแยบคายเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าเอ้นี่อันนี้เรามานั่งคิดหรอถ้าไม่คิดไม่ไปนะถ้าไม่คิดไม่ออกนะอย่าลืมต้องคิด แต่คิดนั้นต้องอาศัยวิเวกอาศัยนิโรธอาศัยวิราคะและก็โวศกะจบนะประเด็นนี้นะต่อไปเราต้องไม่มีข้อถกเถียงกันอีกแล้วในเรื่องของการคิดหรือไม่คิดวิปัสนาต้องคิดเพราะวิปัสนาไม่ได้ใช่อะไรเลยวิจารณนาเป็นเรื่องของการคิดล้วนๆคิดที่อาศัยวิเวกวิราคะนิโรธและโวศกะ อ้าต่อไปข้อที่ว่าเมื่อแสงเงินถึงต่อโยนินะยนโคลเลยนะโยนิโสมรติการเนี่ยเป็นแสงเงินแสงทองเราสังเกตได้นะสังเกตเข้าไปว่าใจเราเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่การทรงตัวกับการพิจารณามากขึ้นนั่นแหละแสงเงินแสงทองโคงมาก ใจเรามันมีการทรงตัวของการคิดพิจารณาอย่างแยบคายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นคือแสงเงินแสงทองของมารอีกประการหนึ่งอินทรีตัวศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าเป็นตัววัดเหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้นั่นก็เป็นแสงเงินแสงทองเหมือนกันนะ เพราะว่าอะไรเพราะศรัทธาที่มีต่อพระพุทเจ้าเนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นมาเราเชื่อพระพุทเจ้าใช่ไหมมันจะริดรอนความร้าสาระเยอะมากใครที่ว่ามีความเชื่อมีศรัทธาในพระพเจ้ามีสัตธินทรีเป็นใหญ่มีอินทรีย์ตัวนี้เป็นใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นหรอกที่เขาจะไปนั่งไหวราหูที่เขาจะมานั่งทําพิธีสะดอกเคราะพวกนี้เขาจะไม่ทําเพราะพวกนั้นเป็นศีลพระตปรามารพวกที่เชื่อในพระพุทเจ้าแล้วไม่ทํา แล้วก็ไม่ใช่ว่าบอกกับพวกเราว่าอย่าไปทํานะถ้าตราบใดความเชื่อเรายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าเราก็ทําไปเถอะเดี๋ยวเวลาเราเชื่อพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเลิกทำเองแหลเราจะเห็นมันว่ามันจากการคิดด้วยเยบคลายว่ามันไม่เป็นประโยชน์ทีนี้อือีกประการหนึ่งให้สังเกตเรื่องศีล ผ่านไปแล้วใช่ไหมที่วา่าศีลสัมปทาสังเกตเรื่องศีลข้อที่สังเกตเรื่องศีลนี้ต้องกลับมาอีกนิดหนึ่งกวักสําหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งทุกรุ่นนะ ท, ทุกเจนทุกเจนเท่าจะการใช้ศีลเป็นเครื่องมือในการดูแลตัวเองนี่ดีที่สุดเลยวิธีดูแลยังไง ตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกตัวตั้งสัจจาก่อนนอืมจําไว้ว่าศีลไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ฆ่าใครแล้วเรามีศีลไม่ได้หมายความว่าเราไม่ข้ามวยของใครแล้วเรามีศีลไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เอประพฤติผิดระเบิดต่อคนรักของใครแล้วเราจะมีศีลเราไม่ได้โกหกใครก็ไม่ได้ชื่อว่าเรามีศีลนะเพราะว่าก็เอาไปอ่ะวัวควายมันก็ไม่ได้ฆ่าใคร ไม่ฆ่านะฆ่าไหมไม่ฆ่าวัวคยไม่ฆ่าใครเลยแล้วมันก็ไม่โกหกใครกี่คือไสเดือนมันก็ไม่ได้โกหกใครมันก็มันมันไม่ใช่ความมีศีลตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกตัวก่อนลุกจากที่นอนตั้งสัจจะต้องกล้าพอสําหรับที่จะทําด้วยต้องกล้าพอที่จะทํานะแล้วลองดูดิทาบ่อยๆทุกวันทุกวันอาทิตย์เดียวก็ติดแล้ว ตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกตัวก่อนลุกจากที่นอนตั้งสัจจะให้ได้ว่าชีวิตเราที่จะขับเคลื่อนไปในโลกในวันนี้ตลอดระยะเวลาให้ศีลเป็นใหญ่และเราจะใช้สัจจะที่มีอยู่ที่ตั้งอยู่นี่แหละคอยดูแลศีลของเราแล้วก็ดูเข้าไปดูอะไรดูความกระทบความกระเพื่อมของใจสองเรื่องหนึ่งเรื่องของความโลภสองเรื่องของความโกรธ แล้วใช้สัจจบเป็นตัวดูมันโกรธก็โกรธไปเหอะมันโลภก็โลภไปเหอะแต่อย่าไปละเบิดต่อศีลพอความโลบอันใดที่มันมันจะไปก้าวก่ายเป็นละเบิดต่อศีลแล้วเนี่ยให้รู้ว่าอันนี้เป็นความด่างพร้อยของศีลเกิดขึ้นแล้วต้องละลายแล้วยับยั้งมันละลายแล้วยับยั้งมันความคิดความคิดร้ายอะความคิดไม่ดี ที่มันเคลื่อนไวอยู่ที่จิตทุกขณะทุกขณะอย่าให้มันมีอํานาจและพระพุทธเจ้าเรียกว่ า, าวิตกังสมยอิตตวานะหมายความว่ า, วาละลายความคิดอันไม่ดีนั้นออกไปโดยการตั้งใจของเราเองอย่าให้ความคิดไม่ดีมันหายไปเพราะการผ่านไปของเวลาหรือเป็นผ่านไปดเงื่อนไขอื่นบางทีคิดที่จะตบไอ้คนนี้แต่ยังไม่ทันได้ตกหรอก เพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยได้เวลาเปียแชร์แล้วทิ้งอันนี้ไปก่อนไปเปียแชร์ก่อนเพราะมันจะหมดเวลาไอความคิดนั้นก็ดับใช่ไหมแต่ไม่ใช่ดับด้วยความตั้งใจของเราเข้าใจป่าวเออมันต้องดับด้วยความตั้งใจของเราไม้ได้เพราะเมื่อมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นพระเจ้าบอกว่าวิตกังสมายตวันนะให้ยับยั้งละลายความคิดไม่ดีด้วยความตั้งใจของเราเองนี่เรื่องของศีมลมโนนนะนะ ไ, ได้สักครั้งต้องกล้าพอที่จะทําต้องกล้าพอด้วยนะ ถ้าไม่กล้าพอมันสู้มันไม่ไหวและถ้าเราทำได้สักหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเราก็จะสัมผัสกับสภาพธรรมอันหนึง่งสภาพธรรมอะไรคือความสงบความเบาใจจากการที่ความคิดไม่ดีมันดับไปโดยที่เราจงใจให้มันดับและความพยายามของเราที่ทำให้มันดับเนี่ยมันเหมือนกับเรายืนถือของหนักๆอยู่สองสามกิโล การทําให้ความคิดไม่ดีมันดับไปโดยความตั้งใจของเรามันเหมือนเราเอาของสองสากิโลนี่แหละค่อยๆเอาเออกไปจากเราก็เกิดอาการเบาตัวเบากายเบาใจขึ้นมาการเบาใจที่เกิดขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่ความไม่ดีมันดับเนี่ยที่อากุศลมันดับเนี่ยนะมันจะเกิดความรู้สึกพอใจในความเบาใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิตักอุปะสะเมระโต นี่เป็นสภาพรมที่เกิด ข, ขึ้นจากการปฏิบัติล้วนๆเลยนะวิตกูปัสะเบระโตหมายความว่าเกิดความยินดีในความสงบอันเนื่องจากความไม่ดีมันดับโดยความตั้งใจของเราไอ้ น, นี่มันเป็นโอ้โหเป็นศิละปะที่น่าเข้าไปศึกษาน่าเข้าไปสัมผัสให้ได้เพราะฉะนั้นต้องกล้าพอชาวรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแลย ว, วันนี้เราจะดำเนินชีวิตโดยมีศีลเป็นใหญ่ จะพูดอะไรก็ตามถ้าละเมิดต่อศีลเราจะหยุดจะทำอะไรก็ตามถ้าละเมิดต่อศีลเราจะหยุดให้ศีลเป็นใหญ่ถ้าศีลเป็นใหญ่นะบ้านเรานะเสื้อแดงเสื้อเหลืองข่ายนุ่นข่ายนี่ข่ายรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่มีขัดแยง้งเพราะอะไรความคิดเห็นจะแตกแยกกันขนาดไหนพอจะไปละเมิดต่อศีลหยุดศีลเป็นใหญ่ ไปพอความคิดจะไปนะพอจะไปเบียดเบียนในชีวิตห ย, ย, ยุดพอจะเบียดเบียนทรัพย์หยุดพอจะเบียดเบียนคนรักของรักหยุดพอจะไปจะโกหกหมดเต็จพูดจาสอเสียอยู่งกับหยุดหยุดในเรื่องของสีได้ทุกอย่างลงตัวหมดอ่ะแม้มแต่ทางการภาวนาของพวกเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าฝากไว้นะฝากไว้ว่าเช้าขึ้นมารู้สึกตัวปั๊บแล้วอันนี้เราทําในใจเราได้เราไม่ต้องไปปรึกษาใครบางทีเรายังเขินๆอยู่ใช่ไหม ไ ป, ไปถึงนอนนอนเดี๋ยวตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋เ๋เดี๋ยวนะเอาทําเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทําอย่างอื่นไม่ได้นะ่ะหลวงพ่อบอกว่าฉันต้องไปวิรัติศีลก่อนอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเราไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยดีแค่พอรู้สึกตัวลืมตาพอจะลุกขึ้นมาแล้วก็กระแทกลงไปที่จิตโดยยังบอกให้จิตเรารู้ว่าเราตั้งสัจจะเราจะเคลือ่อนไหวชีวิตของเราวันนี้ โดยมีศีลเป็นใหญ่จะไม่ละเมิดต่อศีลจะเอาศีลเป็นใหญ่บพมีขณะที่เราทํางานบ้านเราทํนทนทาน่นทํานี่ทํางานทําการแล้วเราก็ให้ใจของเราคอยระลึกศีลไปด้วยเอะศีลเขพูดเขาศีลเขาที่หนึ่งเอาพูดหยาบๆก็ได้ในใจนึกศีลเขาที่หนึ่งกูยังอยู่ไหมวะ <c oughs> ตรวจ ด, ดูซิตรวจ ด, ดูสิอมันโกรธเกลียดใครยังจะตบจะตีมะแร็งฉาบไปยังเผลอตบยุงไม่มั่งยังพอ น, นึกขึ้นะโอ้โหไม่ทันได้รู้ตัวตบยุงตายไปคามือไปทิ้งนะ โอ๊ยเอาใหม่อาหมมั น, ม, นมันผ่านมาสักสามสี่ชั่วโมงแล้วใช่ไหมมันเหลือเวลาอีกประมาณหกเจ็ดชั่วโมงที่เราจะเข้านอนเนี่ยหนึ่งอย่างนี้เอาใหม่อาใหมนับจากเวลานี้ไปจนถึงกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้านอนจะใช้ชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่โดยไม่ให้ระเบิดต่อศีเดียวเด็ดขาดแล้วก็สํานึกผิดเกิดความรู้สึกละอายต่อการที่ไปผิดศีข้อที่หนึ่งเข้าให้แล้วเขาสิ่หนึ่งนี่ผิดง่ายนะ พอเรามีมดมียุงมีแมลงสาบบางทีมันโดยสอนดานเราอะนะ <c oughs> มันผิดง่ายไอ้ข้ออื่นเนี่ยก็ยากอยู่ทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนศินมันเป็นใหญ่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นสีลวาวาเรียกว่าผู้มีศินขึ้นมาเราจะรู้สึกและมันจะมีปัญญาและก็ท่าทีเราได้ยินคนก็พูดกันเยอะมากแม้แต่พวกเราก็คิดใช่ไหม โอ้ยจะไปถือศีลได้ยังไงหลองพ่อสังคมสมัยนี้มันอยู่ลําบากเนี่ยได้ยินไหมกับผู้นี้ฮะมันจะหายไปเลยมันจะหายไปเลยเพราะว่ามันจะมีฟาร์มลงตัวของมันที่จะเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติกับเราเพียงแค่เราตั้งใจไว้ตอนเช้าเช้าตัลุกสุกตัวขึ้นมาปับ๊บทีนี้ผ่านไปเสร็จตอนเย็นกลับมาตอนเย็นกลับมาเสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วนะแต่ว่าเวลานั่งในรถ จังหวนะนั้นอย่าไปนั่งยางไหนนั่งนึกในรถนะกลับมาถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าเสร็จงานเสร็จการตรวจสอบต้องกล้าพอที่จะตรวจสอบตัวเองดูศีลข้อที่หนึ่งสิไม่ฆ่าใครก็จริงแต่มันมีบางครั้งไหมที่เราเผลอไปนึกโกรดนึกเปลียดนึกพยาบาทนึกแบบเกิดขึ้นมามีไหมและไอคนไหนที่เราไม่ชอบที่มันเป็นศัตรูตั้งตัวเป็นศัตรูกับเรา แล้วมันมีข่าวว่าเพื changed, ่อนบอกว่ามันไปขับรถอกเหมือนอกล้มเกิดตัวบาดดีเหตุหรือว่ามีหนี้มีฉินถูกเขาขอเกิดความรู้สึกเสียหายด้านใดๆก็ตามกับคนที่รู้สึกว่าเป็นศัตรูกับเราเรารู้สึกสะใจชอบใจบ้างไหมความรู้สึกสะใจชอบใจนั้นเป็นความด่างพร้อยของศีลข้อที่หนึ่งนะเราก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆพอตรวจสอบข้อที่หนึ่งข้อที่2อข้อที่สามข้อที่4ี่ข้อที่5ตรวจสอบไปเรื่อย พอตรวจสอบเสร็จปับ๊บอข้อที่หนึ่งเสร็จสมบูรณ์ข้อที่สองไม่มีสมบูรณ์ข้อที่สามสมบูรณ์ข้อที่สี่สมบูรณ์ข้อที่ห้าศีลสมบูรณ์โอ้โหให้คะแนนตัวเองได้เลยเช้าขึ้นมาก็ทําอย่างนั้นอีกเย็นก็มาตรวจสอบเช้าขึ้นมาก็ทําอย่างนั้นเย็นก็มาตรวจสอบเช้าขึ้นมาทําอย่างนั้นเย็นก็มาตรวจสอบศีลและบรารมีจะตั้งขึ้นอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วในที่สุดพอเราทำอย่างนี้ไปบ่อยๆ ในที่สุดมันเป็นอะไรรู้เปล่า mm hmm. เขาเรียกว่าซี่ล้ ว, วาคือมีศีลมันเป็นออโตเมติกเราไม่ต้องไปตั้งใจรักษามันแล้วสภาพจิตเราเปลี่ยนไปแล้วสภาพจิตเรามันเปลี่ยนไปเป็นศีลโดยธรรมชาติเมื่อศีลมันเป็นธรรมชาติตอนนั้นเป็นโสดาบัน่ะศีลเป็นธรรมชาติ ทุกข้อสมบูรณ์หมดไม่มีจิตนาในการที่จะไปรักษาศีลและไม่มีเจิตนาในการที่จะไประบเบอร์ต่อศีล น, นั่นแหละ<บ>เขาเรียวกว่าศีลธรรมชาติีนศุสติที่ในขณะที่ปฏิบัติเรียกว่าศีลานุสติระลึกถึงศีลของตอนเนี่สยสบายๆอย่างเงี้ยแต่นักปฏิบัติจะต้องฝึกอย่างเงี้ยอัน อ, อย่างนนี้นอกจากว่าจะเรียนเรียกว่าศิลปะ ของการศิละปะของนักภาวนาเป็นศินละปะของนักภาวนาเอาล่ะพอสมควรแก่เวลานะวันนี้อ่ะเกิญอิจิตังปติตังตุมหังทิปะเบวสมิชะตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโธปนารโซยะถา มานิโชติระโสยะถาอาภิวาทนาสิลิสะนิจังวุธาปจา ย, ยโดจตารูธรมมาวัตันติอายุวันโดสุกครั้งภะลัง